ยังไกรกู่ร้องบอกให้น้องนั้นรีบขึนมากลับมาบ้านป่าดงดอยกลับมาบ้านป่าดงดอยหนุ่มหน้ายังคอยรอรักแันได้ได้ข่าวว่าเจ้าถูกลอกจากหนุ่มบางปอจนเสียน้ําตา พอเจอหนุ่มกลุงเลยลืมสัญญาสัญญาบอกว่าจะกลับไปแล้วไปลับไม่กลับมาหาไปลงแสงสีกรุงเทพไปลงแสงสีกรุงเทพหัวใจอากเสบให้รีบกลับมา ได้ข่าวเจ้าไปทำงานพบตาหวานทำงานในบ้าใส่เสื้อเปิดหน้าเปิดลังใส่เสื้อเปิดหน้าเปิดลังตอนรับวัวรังเวลาเข้าเข้าบ้านนังซือเรียนแค่ประถมสี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้หัดพูดอเมริกา ฮัดพูดฝรังฟุดฟิดบอกไปฮัดพูดฝรังฟุดฟิดบอกไปเสียงอยู่ๆไอๆจนลืมไร้ลืมนาระวังรังมันหลอกพาไปเมืองนอกอยากกิน handicap, move, ไ bye, ไนา <Source> เพี่ว่ารีกลับมาบ้านนอกอย่าลงบ้างบอที่เป็นเมืองป้าอีกอย่างน้องพี่ยังตก่าอีกอย่างน้องพี่ยังตก่ากลับมาบ้านเรายังมีรักคาหนุ่มนา คนนี้ยังรอคอยรอให้น้องน้อยแฟนพี่กลับมาได้ยินไหมเตียงใครกูร้องได้ยินไหมเตียงใครกูร้องหากเจ้ามีทองก็ให้รีบกลับมา